มีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านพูดไว้เป็นข้อเตือนใจได้ดีท่านบอกว่าคนดีเนะี่ยใครปลาขี่หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ใครปลาขี่หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้อันนี้ว่า ขี้หมากลายเป็นดอกไม้ได้ไม่ใช่เพราะว่าความดีมีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะเปลี่ยนาธาตุแปลงสารอะไรได้แต่มันหมายความว่าสิ่งที่เราเรียกขี้หมานั่นเนี่ยถ้ามองให้ดีมันก็มีประโยชน์และจะมองอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญา หรือว่าเข้าใจธรรมะนะคำ ว, ว่าดีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้ฐานรักษาศีลอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าได้ฝึกจิตนะจนกระทั่งได้สามารถที่จะเห็นความจริงบางด้านที่คนเราไม่ค่อยเห็นเพราะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยขี้มากับดอกไม้นี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งตรงข้ามกันทีเดียว ถ้าเราเอาขี้หมาไปไปวางไว้ตามสวนตามโคนต้นไม้ขี้หมานั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วก็ในที่สุดต้นไม้ก็จะออกดอกเป็นดอกที่งามผลไม้ที่หอมหวานขี้หมาอุจจาระเนี่ยกับดอกไม้มันก็ไม่ใช่เป็น สิ่งตรงข้ามกันหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่มันสัมพันธ์กันอะไรที่สามารถเปลี่ยนให้ขี้หมาหรือขยะกลายเป็นดอกไม้ได้เนะี่ยต้นไม้เนี่ยนะมันมีรากที่สามารถเทียบเปลี่ยนขยะเปลี่ยนขี้หมาให้กลายเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ได้ ใจของเราเนี่ยนะก็สามารถจะทำอย่างต้นไม้ได้เหมือนกันถ้าเป็นใจที่มีปัญญานะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่มุมมองของเราด้วยสิ่งที่เราสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามันไม่น่าชมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเนะช่นคำตำหนิ คำตําหนินี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเพราะว่ามันบาดใจมันกระทบใจแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองให้เป็นหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมองไม่เป็นเพราะว่าพอเจอคําตําหนิก็โกรธซะก่อนแทนที่จะใช้ปัญญาใคร่ครวนก็เอาอัดตา เข้ามาเข้ามาออกหน้านก็เลยเจอคำตำหนิมากระแทกเมื่อคำตำหนิมากระแทกตัวตนก็ต้องโกรธนะแต่ว่าถ้าเราแทนที่จะเอาอัตตามารับคำตำหนิก็ใช้ปัญญาออกหน้าก็จะเห็นประโยชน์พระพุทธองค์ตัดว่าเวลามีใครมาตำหนิพระองค์หรือว่าตำหนิพระธรรมตำหนิพระสงฆ์ภาษาวกยากโกรธ เพราะความโกรธนั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วท่านก็ตัดต่อไปว่าให้พิจารณ า, ท, าท่านเตือนว่าถ้าโกรธแล้วเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าวาจาของเขาเป็นสุภาษิตสุภาษิตในทนี่หมายความว่ามีประโยชน์นะให้ข้อคิดคือถ้าเราโกรธแล้วเนี่ยเราก็ไม่สนใจล้ที่จะพิจารณาเราก็จะดา่า กลับอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่โกรธเรามีสติเราก็ก็จะเห็นว่าที่เขาพูดมานั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็มีประโยชน์นะมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึง่งอาจจะมีประโยชน์สัก 20% บหรืออาจจะมีประโยชน์แค่ 5% ที่เหลือก็เป็นขยะ เป็นถ้อยคําที่ไม่น่าฟังเต็มไปด้วยอารมณ์กราดเกลียวแต่ว่ามองให้ดีมันก็มีประโยชน์เพราะคำตำหนินั้นก็อาจจะทำให้เราได้เห็นตัวเราเองว่าเราทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าบางทีเพื่อนเนี่ยเขาไม่ตำหนิเราเราก็เลยมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เป็นศัตรูเนี่ยมันจะว่าเป็นกระจกให้เราได้เห็นตัวเราเองในบางแง่บางมุมก็ได้ ถึงเราไม่เห็นนอกจากเราจะเห็นตัวเองในบางแง่บางมุมที่เพื่อนอาจจะไม่เคยบอกเพราะว่าไม่กล้าที่จะบอกแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเราหรือสัตว์เขากล้านอกจากนั้นเรายัางสามารถที่จะเห็นนะเห็นสัจธรรมความจริงด้วยวเออสารเสริญกับดินทามีของคู่กันนะเมื่อวานนี้เพิ่งมีคนสารเสริอเราวันนี้มีคนด่าเราละ อาจจะด่าเราหรสารเสรเราในเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเห็นว่าดีคนหนึ่งเห็นว่าไม่ดีมันก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมานะว่าโอ้คนเรานี่มองต่างมุมจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพิจารณาดูในปัจจุบันเนี่ยสมัยนี้นะ ท, ทุกคำชมนะมันจะมันจะมีคำด่าคู่กันมาด้วย สิ่งที่เราสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดีคนอื่นอาจจะเห็นว่าไม่ดีก็ได้นะคนทำหนังคนทำภาพยนตร์หรือทำพวกรายการมันเธอเนี่ยก็มีคนชมเยอะแต่ว่าคู่กันก็คือคำด่าอันนี้ก็รวมถึงเรื่องอื่นด้วยแม้แต่ครูบาอาจารย์จะสอนดีอย่างไรนะสอนให้คนเข้าใจธรรมะยังไงก็ยังมีคน หาช่องตำหนิไดนะ้อย่างช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องพระอาจารย์ปราโมทนี่พวกเราคงได้ข่าวนะก็ยังคนก็ยังมีคนหาช่องตำหนิวิภาวิจาร์ได้แม้แต่ในเรื่องหรือประเด็นเดียวกันก็มีทั้งคนชมและคนตำหนิอันนี้ก็คือสัจธรรมที่คาตาหนิสอนเรา แล้วดูให้ดีเนี่ยคำตำหนิหรือว่ากล่าวนี่มันก็สะท้อนตัวตนของคนพูดเหมือนกันว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนมีเหตุมีผลไหมเขาเป็นคนที่ด่วนสรุปหรือเปล่าเนเขาเป็นคนหูเบาไหมบางทีถ้าไม่มีคนตำหนิเราก็ไม่รู้จักเขาดีนะแต่พอเขาตาหนิเราเราก็รู้ว่าโอเขาเป็นคนอย่างนี้นะต่อไปเราจะให้ราคาเขาเท่าไหร่เราจะให้น้าหนักแก่เขาเท่าไหร่ เวลาคนคนหนึ่งนี่ดา่าใครสักคนเนี่ยสิ่งที่คําด่าเขาเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงอีกคนหนึ่งนะแต่สิ่งที่เขาด่าเนี่ยมันสะท้อนตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนอย่างไรเวลานายกอดา่านายขอว่าแกเ ป, เป็นเป็นที่จเป็นห่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงว่านายขอเป็นใครนะแต่มันบอกถึงนายกอคนด่านั่นเองว่าเขาเป็นคนอย่างไงนะมันเป็นการประจานฟ้องตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เออพอเราเห็นเราก็รู้ว่าเราจะเร า, เราจะให้น้ําหนักกับเขาอย่างไรแค่ไหนหรือว่าเราจะคบกับเขาแค่ไหนเนี่ยเพียงแค่คาําด่าประโยคเดียวเราก็ได้เห็นถึงสามอย่างได้เห็นตัวเราเองได้เห็นความจริงเรื่องสารเสริญนินทาแล้วก็ได้เห็น ตัวพูดด่าว่าเขาเป็นคนอย่างไรส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็มองไม่เป็นมองไม่เห็นนะก็เลยโกรธแล้วก็เลยใชค้ความกดแล้วก็เลยเผาล้นจิตใจให้คนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะมองว่าคําตําหนิเป็นของดีอย่างเจ้าของเมืองโบราณที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะพูดไว้หน้าชมหน้าฟังบอก ว, ว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล คือเขาสามารถจะมองได้ว่าคำตําหนินั้นเป็นมงคลได้เหมือนกันอันนี้คือการเปลี่ยนขี้ไม้เป็นดอกไม้นะมันเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ใจมันเปลี่ยนที่มุมมองของของเราเองถ้าเราไม่ถ้าใจเราไม่ไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงหรือว่าเราไม่ฉลาดขี้หมามัก็เป็นขี้หมาวันยังค่ําคือไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราฉลาดขี้หมามเราก็เห็นว่ามันเป็นดอกไม้ คือม่นมีประโยชน์อันนี้ก็รวมถึงเรื่องเคราะร์กรรมด้วยนะสิ่งที่คนเรียกว่าเคราะห์เนี่ยสิ่งที่คนไม่ชอบเนี่ยมันก็สามารถจะกลายเป็นโชคได้เคราะ์เนี่ยมันไม่ได้มีโทษส่วนเดียวนะมันก็มีประโยชน์ด้วยเช่นความเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วย ด้โรคมะเร็งหลายคนเขาก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามันทำให้เขาได้หันมาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เกิดแงรงผลักที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เคยใช้ชีวิตอย่างไม่มีประโยชน์หรือซ้ำมาเลยเทมามาหรือไม่ก็เอาแต่ทำมาหาเงินไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คิดเลยว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง แต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วก็ได้คิดแล้วเอาเงินไปทำไมหรือว่าเที่ยวสนุกสนานไปทำไมไม่มีประโยชน์เลยสู้หันมาศึกษาธรรมะอย่างน้อยก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจรับความตายาศึกษาไปศึกษามาโอ้พบว่าความหมายของชีวิตคืออะไรได้พบความสุขที่แท้ในชีวิตไม่เคยนึกเลย ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่เจอตรงนี้ก็เลยขอบคุณนะโชคดีที่เป็นมะเร็งเด็กบางคนนี่เขา ก, ก็ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยการที่เขาเป็นมะเร็งทำให้เขาได้พบความสุขที่สุดในชีวิตเพราะว่าเมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งพ่อแม่ก็ลางงานมาดูแลเขาแต่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาต่างคนต่างทำมาหากิน หือแม่ก็เรียนหนังสือพอลูกป่วยอายุแค่สิบสองเองยๆก็มาพ่อแม่ก็มาลางงานมาดูแลลูกเด็กก็ซาบซึ้งใจนะก็ได้พบความสุขบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความเจออุบัตป่วยนะก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นค่าของกันและกันยังคิดว่ายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปได้นานๆก็ไม่ค่อยใส่ใจกัน แต่พอมใครใคนใดคนหนึ่งป่วยขึ้นมาอันนี้แหละทุกคนก็ทิ้งงานทิ้งการหรือว่าทิ้งเรื่องที่ไม่สําคัญหันมาให้เวลาแก่กันและกันมีครอบครัวของเด็กที่เป็นลิวคิเมียมะเร็งเม็ดเลือดหลายครอบครัวพูดคล้ายๆกันว่าะมะเร็งเนี่ยมันทําให้ครอบครัวของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่ารักกันมากขึ้น เพราะว่าต้องมาร่วมหัวจมทายดูแลคนป่วยเราก็ต้องมีความอดกลั้นนะมีความใส่ใจมีความอ่อนโยนต่ อ, อ ก, กันและกันบางครั้งก็ต้องอาศัยความตายหรือความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นตัวตัวกระ ต, ตุ้นเตือนให้หันมาใส่ใจกันและกันแล้วเมื่อคนเรามาใส่ใจกันและกันแล้ว มันก็มีความสุขเกิดความสุขแต่ทุกฝ่ายนะอันนี้ก็เรียกว่าความเจ็บความป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่เคราะห์นะแต่ว่ามันเป็นโชคด้วยในแง่ที่ว่ามันมีประโยชน์นะหลายวันก่อนก็ได้ลได้่าไปแล้วว่ามีพระอรหันต์จนวนมากบรรลุธรรมได้ก็เพราะความปวดความป่วยนะอาการหนักปางตายนี่ก็ทำให้บรรลุธรรมได้ หรืออย่างบางท่านเนี่ยถูกไฟคลอกตายนะเป็นคนดีแต่ก็ยังถูกไฟคลอกตายนะเพราะว่ามีตัวอิกฉานะอย่างพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นคนดีมากแล้วก็ถูกนางมาคันทิยาหลอกให้ไปติดอยู่ในประสาทในคลังที่มีผ้าแล้วก็จุดไฟเผา ทั้งสงคนก็เป็นมเหสีของพระเจ้า อ, อุเทนมาการติยาก็อิจฉานางสามาวดีแล้วก็เกลียดพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเคยเคยคล้ายๆว่าเมินเฉยนางนางเป็นคนสวยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเมินไม่สนใจก็เลยแคร์ใจก็เลยจัดการจัดกำจัดอุปถาของพระองค์ พระนางสมวบดีนี่ตอนที่ถูกไฟคล่องเนี่ยไม่ได้ทุกข์เลยนะนอกจากแผ่เมตตาให้กับนางมาคันธียาแล้วก็ยังน้อมใจพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคือความปวดเนี่ยความปวดจากไฟที่มันเผาเนี่ยไฟเผาท่วมตัวปวดแต่ว่าพระนางก็มีสติก็ดูความปวดเห็นความปวดก็เห็นสังขารมันเป็นทุกข์มาก ก็บรรลุธรรมขั้นสูงที่จริงานางก็เป็นโสดาบันแล้วนะก่อนนานนั้นแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยเลยเลื่อนขั้นทางจิตนะเปะดเจ้าได้ตรัสภายหลังที่ได้ข่าวว่านางมาคันทียาและานางสามาวดีและบริวาร500รอคนเสียชีวิตในกองเพลิงก็ตรัสว่าการตายของนางไม่สูญเปล่า การตายของนางและบริวารไม่ศูญ์ปรา่าก็คือว่าเดบารุษรมขั้นสูงกันทวนหน้าอันนี้ก็เรียกว่าเจอเคราะ์นะเจอเคราะ์แต่ว่าเปลี่ยนให้กากเป็นโชคได้คือถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้ก็อาจจะยังเป็นแค่โสดาบันหรือว่าเป็นแค่ปุุชนนะแต่พอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งให้ให้ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะถ้าไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ตายอย่างทุรนทุรายอเนกอน า, นาน แต่ว่าพอตั้งสติได้พิจารณาไอ้ไฟที่เผามันก็เลยกลายเป็นของดีไปนะแทนที่จะตายอย่างอนเอนกอณายก็กลายเป็นพระอริยะขั้นสูงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือเปลี่ยนขี้ไม้เป็นดอกไม้ก็ได้นะพอสายธรรมะคือสตินะสตินี่ถ้ามีเนี่ยแล้วก็รวมทั้งปัญญาด้วยอะไรเกิดขึ้นนี้มันก็กลายเป็นดีหมดนะ สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นของดีได้แม้แต่ความเจ็บความปวยก็กลายให้เป็นกลายเป็นประโยชน์ได้จริงนางสามาวดีนี่ก็มีทำวิบากกรรมมาก่อนนะไปทำลายพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าด้วยกองไฟก็เลยต้องมาใช้กรรมถูกไฟคล อ, อกตายแต่ว่าไม่ได้ใช้กรรมอย่างนั้นไม่ได้ชดใช้กรรมอย่างเดียวแต่ว่าเอากรรมนี่มาเป็นประโยชน์ด้วยหรือว่าใช้กรรมให้เป็นประโยชน์ด้วยนะ คนเราคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมจริงไม่จําเป็นอย่างนั้นแม้วิบากกรรมจะเกิดกับเราแต่เราก็สามารถจะเอาวิบากนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นี่คือความหมายการว่าใช้กรรมใช้กรรมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชดใช้นะแต่หมายถึงว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่นี้เราคิดแต่ว่าโอ้ใช้กรรมใช้กรรมฉันจนฉันเปื่อยก็เพราะเป็นการใช้กรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเชื่อนี่เป็นการชดใช้วิบากกรรมแต่ว่า ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะอย่างพนางสาวมาวดีนี้ก็ใชใ้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยใหเวลาเราเจอเคราะเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปตื่นตระหนกนะเพราะว่ามันต้องมีประโยชน์กับเราไม่ทางแห่ก็ทางหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเล่นเราหนักเหลือเกินนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีคนหนึ่งก็ <c oughs> เคยประสบวิกฤตเศรษฐกิจนะธุรกิจพังล้มละลายเป็นหนี้เจ0 0ล้านจากค่าเงินบาทที่มันที่มันตกทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากคนที่เคยขับเบนอยู่คลื่อหาดต้องมาขายแซนวิชชิละ20ยบบาทวิ่งขายตามโรงพยาบาล วันนึงก็ทำได้สามสิบชิ้ น, นก็ได้หกร้อยบาทกำไรก็อาจจะสักร้อยร้อยห้าสิบอาจจะไม่เท่าไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำชีวิตมันพิกผันขนาดนี้แต่แต่เขาไม่ยอมแพ้ทำแล้วไม่ได้ก็ขายแซนดิว ก, ก็แล้วกันไม่คิดค่าตัวตายไม่คิดหนีหนในที่สุดก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ผ่านมาสิบปีก็ปรากฏ กลับมาตั้งตัวได้ใหม่แล้วก็ธุรกิจก็ก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะก็เรียกว่าพอมีฐานะพอสมควรเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่ามันทำให้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วทำให้ชีวิตเขาเข้มแข็งมั่นคงขึ้นคือคนร้อนเนี่ยถ้ามันเจอวิกฤตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ จะย่ำแย่อยางเดียวมันเป็นประโยชน์วิกฤตเศรษฐกิจคราวนั้นเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนนี่เข้าหาวัดมาปฏิบัติธรรมจกนกระทั่งได้ทราบซึ้งในรสพธรรมชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยไม่ไม่เอาความสุขไปผูกติด ก, กับเงินทองหรือว่าความสำเร็จชีวิตก็มีความสุขความโปร่งเบามากขึ้นทั้งคนเ่านี้ก็ ข, ขอบคุณวิกฤตเศรษฐกิจนะ ที่ทำให้เขาล้มละลายทําไมล้มละลายก็ยังหลงระเริงอยู่กับการทําธุรกิจแล้วก็เพลินจนลืมจนอาจจะลืมว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายหลายคนก็เพลินนะมาลูกอีกทีก็จะตายอยู่แล้วถึงนึกได้ว่าโอ้ยไม่ได้เตรียมตัวเลยพี่นายกรรมก็ยังไม่ได้ทําลูกหลานก็ยังไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ไปดูแลท่านเพลินกับการทาําทงานเพื่อการทําธุรกิจ แล้วอยู่ดีก็ป่วยหนักคนแบบนี้มีเยอะแต่บางคนนี่เจอวิกฤตเศรษฐกิจล่มละลายซะ ก, ก่อนก็เลยตาสว่างรูนะ้ว่าโอ้ ท, ที่ที่ผ่านมาแล้วมันเพลินเพลินกับความมืดสีขาวหนะลงนะคนบางคนนี่จะจะตาสว่างนี้ต้องเจอของแข็งนะเจอของจริงนะถึงจะถึงจะตื่นขึ้นมาได้ นะเจออะไรหนักๆ น, นี่มันช่วยเหมือนกันไม่งั้นก็ยังประมาทยังเพลินอยู่คล็อกกนรมันเปลี่ยนชีวิตคนได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาชีวิตความล้มละลายนะแต่ว่าเราก็ต้อง ต้องใช้เวลางนะบางทีกว่าเราจะเห็นประโยชน์ของความเจ็บป่วยและไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองเราก็ต้องเกิดต้องขนขวายใช้ปัญญาด้วยมีคนหนึ่งเขาเป็นไปนโรคหัวใจยาจากภรรยาได้ไม่ไม่นานก็เป็นโกูกก็เพราะตัวเองเป็นโรคหัวใจตอนนั้นก็60แล้วก็ คิดว่าเนะีเป็นเพราะการใช้ชีวิตมันไม่ถูกต้องเข ก, ก็พยายามปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่ไม่มีเนื้อนมไขนะ่มันก็ดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเขาก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรแล้วหนึ่งเขาก็ไปไปหาข้อมูลทางอินเทอรเ์เนนะ็ตก็พบว่าพบงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่บอกว่าคนที่ เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ไปสูงสิงกับใครเนี่ยมีโอกาสที่จ ะ, ะในวัยอย่างเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจนะว่าสีเท่าของคนปกติของคนทั่วไปเขาก็ตาสว่างเลยเพราะว่ามันมันตรงกับชีวิตของเขาเพราะเขาไม่ค่อยสูงสิงคบค้าใครแล้วนี่ก็พึ่งยากับภรรยามาอยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีมิตรเท่าไหร่เอาแต่ทำงานทำงานเสร็จก็เก็บตัวอยู่ในห้องเขาก็เลยเนื่องจากความกลัวตายด้วยโรคหัวใจเขาก็เลยไปพยายามเปิดเปิดนะฮะเปิดตัวไปไปพบปะผู้คนไปไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลืองานสังคมต่างๆเขาบอกว่ามันดีขึ้นนะ สุขภาพดีขึ้นไม่ใช่แค่สุขภาพกา ย, ยาเดียวสุขภาพใจด้วยเพราะคนเราถ้าเก็บตัวเนี่ยมันก็คิดถึงแต่ตัวเองก็เครียดนะพอไปทำเรียกว่าไปพบปะผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัลกนจิตใจได้ผ่อนคลายรู้สึกความเครียดลดลงไอ้นะชีเขาก็เลยเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่หันมาอ่า เปิดใจกับผู้คนมากขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขามันก็แปลงนะั้นมีคนพูดอย่างนี้นะโรคหัวใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาคือถ้าไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้มีความสุขนะทั้งกายทั้งใจมากขึ้นกว่าจะมารู้ตรงนี้ก็อายุหกสิบกว่าเข้าไปแล้ว แต่ก็ไม่สายลองดูดีๆนะมันในเคราะห์เนี่ยมันมันกลายเป็นโชคไดนะ้ถ้าเราไม่ไปเสียอกเสียใจหรือว่าตีอกชกหัวคล่ำครวนเราก็จะเห็นประโยชน์นะหรือว่าเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์มันได้นะในเคราะห์นี่มีโชคนะ แต่ในทางตรงข้ามนะไอ้ในโชคก็มีเคราะหได้เหมือนกันนะใครๆก็อยากได้โชคไม่อยากได้เคราะห์เจอเคราะหไม่เอาจะเอาโชคแต่ว่าโชคนี่มันก็บางทีก็อันตรายนะคนที่ถูกหวยคนที่ถูกรัตตรกาลรางวัลที่หนึ่งคนที่ได้เงินจากการขายที่เป็นจำนวนมากมายนี่ชีวิตเขาย่าแย่ในภายหลังเยอะนะ มีคนหนึงก็ได้ถูรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคงซื้อหลายใบยได้มา20ล้านขึ้นไทยรัฐหน้านหนึ่งนะเพราะเาเป็นแค่พ่อค้าหับเลหลังจากนั้นผ่านไปแค่เดือนเดียวก็ขึ้นไทยรัฐหน้านหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าเขากินยาค่าตัวตายเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เงินมา20ล้านเนี่ย ก็มีคนแห่รุมขอเงินเขาใครๆก็อ้าง่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเขาก็ให้นะแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยได้มื่นก็อยากได้แส น, นก็ไม่พอใจหลายคนก็ไม่พอใจมีบางคนถึงกับโทรมาขู่ฆ่าเขากับภรรยาเขาเครียดมากเลย แล้วก็ยังอีกท่าไหนไม่รู้ก็เลยกินยาค่าตัวตายแต่ว่าลูกสาวเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันพาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์ไทยรัฐเนี่ไปสัมภาษณ์แล้วก็ผู้ประโยคนึ่งว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อค้าหาเปเลเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนหนคือตอนเป็นพ่อค้าหา เ, เลรก็มีรถ โสมโสมคันหนึ่งก็ไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ <นะ S 1> มีเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดหาประโยชน์จากกันและกั น, น, น <ะ S 1> ก็มีแต่คนจริงใจหาชอบกินข้ามแต่ว่ามีความสุขใจแต่พอได้เงินมายี่สิบล้านนี่ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้มีมิตรเมิกมากขึ้นนะมันมีศัตรูมากขึ้น เขาเห็นสัจธรรมเลยว่าให้การมี ม, มีโชคนี่มันมันไม่ได้ดีเสมอไปมันมีเรื่องแบบนี้เยอะนะบางคนในเมือง อ, อเมริกานี่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกสลากกินลวบได้มาสามสิบสี่ล้านดอลลาร์ามสบสีล้านก็ประมาณพันล้านบาทอยู่ได้อย่างสบายไปทั้งชีวิต ไปทั้งชาติเลยอาจจะหลายชาติด้วยแต่พอกว่าหลังจากนั้นห้าปีต่อมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสองคนนี้ก็หย่า ก, กันผัวนี่ก็ได้เงินไปก็เอาเงินไปกินเหล้าแล้วก็ตายเพราะโรคเกี่ยวกับสูลานะเมียก็สร้างครือายแล้วก็อยู่ คนเดียวในค้นฤหอสา์ไม่คบค้าสมาคมใครแล้วก็ไม่นานก็เสียชีวิตไล่ไล่กับสา ม, มีไม่รู้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นอะไรภายในเวลาห้าปีนี่ชีวิตนี่อับปางไปเลยนี่ถ้าเขาไม่ถูกลอตเตอรีร่นี่ชีวิตเขาจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้เพราะฉันเนี่ยโชคนี่มันก็ เจือไปได้วยเคราะห์นะไม่ใช่ว่าพอมีทรัพย์สินมีเงินทองแล้วนี่มันจะดีเสมอไปบางครอบครัวบางคนขายที่ได้ในช่วงที่ยังไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มีที่มันราคาแพงมากก็มีคนชาวบ้านขาขายที่ได้สิบล้านยี่สิบล้านแต่ผ่านไปสี่ห้าปี ก็กลายเป็นกรรมกรกลับไปเป็นกรรมกรไม่ใช่เป็นกรรมกรกลับไปกลายเป็นยาจกต้องขายแรงงานเดินเป็นชาวนาขายที่ไปพ่อพอได้เงินมาก็เที่ยวถ้าคนชาวบ้านเราบางทีก็ใช้เงินไม่เป็นได้เงินมาก็เที่ยวก็มีคนปลอกลอกเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงก็ปลอกลอกจนหมดตัว หมดตัวทําไงอ่ะที่ที่นาวขายไปแล้วก็เลยต้องกายเป็นกรรมกรหรือไม่ก็เป็นคนงานรับจ้างบางรายขายที่ได้ซื้อรถ ใ, ให้ให้ให้ลูกชายไอ้คนพี่นี่มันลูกข่าวโมโหมากเพราะว่าพ่อไม่ซื้อให้ตัวเองซื้อให้น้องชายตัวเองอุตสาห์คอได้มานิดหน่อยแต่ว่าไปซื้อรถให้น้องชาย แค้นมากนะเอาปืนไล่ยิงเอาปืนไล่ยิงทั้งน้องทั้งพ่อนี่มันมันวุ่นวายกลัวลาวขนมากนะพอได้โชคมาแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆมองไปกว้างๆนี่ประเทศไหนที่เจริญด้วยทรัพยากรธรรมชาตินี่มักจะไม่ค่อยเจริญรุ่งเรือง หรือว่ามีเศรษฐกิจมั่นคงเท่าไหร่นะประเทศที่รวยน้ํามันประเทศที่รวยเพชรอย่างแอฟริกาประเทศที่รวยทองแดงนะหรือประเทศที่มีป่าไม้เยอะๆเนี่ยอย่างไทยเราพม่าเนี่ยแล้วพวกนี้นี่เศรษฐกิจนี่ก็เรียกว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะรวยก็รวยแบบฉาบช่วยเช่นประเทศในตะวันออกกลาง วันดีคืนดีก็เศรษฐกิจล้มละลายอย่างดูใบนี่ก็ตอนนี้ยังเดียงอยู่เลยนะรวยน้ำมันแต่ว่าใช้ไม่เป็นประเทศที่รวยๆประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงเทคโนโลยีดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรเท่าไหร่สิงคโปร์ญี่ปุน่นะหรือว่าไต้หวันยุโรปสแกนดิเนเวียพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีทรัพยากรเท่าไหร่ แต่เศรษฐกิจมั่นคงนะหรือว่าการศึกษาก็ดีเทคโนโลยีก็ดีโจรขโมยคอร์รัปชันมีน้อยอันนี้พนะ่อไหลนะอาจเป็นเพราะว่าก็มาเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรัพยากรไม่มีก็มาเน้นเรื่องการพัฒนาคนเพราะว่าพัพฒนาคนแล้วนี่มันก็สามารถจะเป็นรักฐานทางเศรษฐกิจได้ แต่ประเทศที่รวยทรัพยากรเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องพัฒนาคนเท่าไหร่เพราะว่าเงินมันหาง่ายก็เอาทรัพยากรเอาแร่ธาตุเอาไม้ไปขายนะไม่ต้องไม่ต้องเน้นเรื่องการศึกษาก็ได้คนก็เลยเป็นอย่างนี้นะเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากคนไม่มีการศึกษาความรู้ไม่ดนะีถ้าเทียบไทยกับคนสิงคโปร์คนสิงคนเกาหลีคน ญี่ปุ่นไต้หวนันนี่ต่างกันเยอะนะการศึกษาเนี่ยคุณภาพคนสู้กันไม่ได้เพราะว่าเราเอาแต่กินบุญเก่าคือขายทรัพยากรขายแ ร, ง ง, ยแรงงานลขายแรงงานราคาถูกนัก้นการมันก็เหมือนเหมือนคนรวยนะลูกคนรวยเนี่ยก็ตัวขึ้นก็มักจะเอาตัวไม่ค่อยรอดหรือไม่ก็ผลนเงินของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายหมด เหมือนกับคนที่ยากจนเขาก็ประหยัดขนขวายภากเพียงพยายามก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ยังเกิดมาจนบางทีดีนะดีกว่าเกิดมารวยเกิดมารวยแล้วนี่อาจจะลำบากช่วยตัวเองไม่เป็นด้วยอนี้บิลูเกตเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเขาก็เลยประกาศ ว, ว่าจะไม่จะไม่ยกมรดกทั้งหมดให้กับลูกชายเขา เพราะเยกมรรคให้ลูกชายนี่ลูกชายมันก็จะไม่เป็นอันธมรรมาหากินแล้วได้แต่ใช้เงินอย่างเดียวรู้สึกเขาจะประกาศว่าจะให้เงินลูกชายแค่สิบล้านานี่มั้งสิบล้านนี่ถือว่าเยอะนะแต่สําหรับเศรษฐียังเขานี่มันมันมันก็เพลกยลิ้นเท่านั้นอนะ่ะเพราะเขามีเงินเป็นเป็นแสนล้านหรือมั้งเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านให้แค่สิบล้านแก่ลูกลูกลูกสองคนมัน้งก็ถือว่าจิตใจมาก เพราะเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยพึ่งตัวเองวอร์เรนบัฟเฟ่ก็เหมือนกันเขาจะให้ลูกไม่เท่าไหร่ไม่ที่เหลือก็จะเอาไปช่วยส่วนรวมเอาไปทาบุญให้กับมูนิธิอันนี้เขเพราะเขารักลูกเพราะเขารู้ว่ถ้าเอาเงินเอามารดกทั้งหมดให้ลูกเนี่ยลูกก็ไม่ไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วไม่รู้จักพึ่งตัวเองเป็นการฆ่าลูกทางอ้อม เพราะนในเรื่องของโชคกับคราะนี่เราต้องฉลาดต้นลำบังให้ดีนะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เคราะกลายเป็นโชคโชคกลายเป็นเคราะอย่างนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งลีกวนยูชอบมากลีกวนยูนี่ก็เป็นอดีตนายกสิงคโปร์เป็นนิทานง่ายๆเป็นเรื่องของครอบครัวนหนึ่งก็เป็นเกษตรก ร, ร, กรแล้วก็เลี้ยงปศุสัตว์ ก็เลี้ยงมาด้วยวันหนึ่งมาตัวตัวสวยเลยนะก็หนีเข้าป่าไปชาวบ้านก็บอกว่าเขาโชคร้ายวันต่อมาไอ้มาตัวนั้นกลับมาแล้วก็มันพามันพาแฟน ม, ามาันมาด้วยเป็นม้าดีม้าป่าแข็งแรงชาวบ้านก็บอกเออโชคดีนะวันต่อมาไอมา้มาป่าตัวนี้เนี่ยก็ต้อง ก็ต้องขี่ให้เชื่องก็ให้ลูกชายเนี่ยขึ้นไปขี่เพื่อเลี้ยงให้มันเชื่องเพราะก็ว่าแมลงมันเยอะมากมันพยศมันก็สะบัดลูกชายเจ้าของฟาร์มตกมาจากหลังมาขาหักชาวบ้านก็บอกว่าโชคหลายสองสมัยต่อมาพัสดีก็มาเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทุกคนเกณฑ์ชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านยกเว้นลูกชาย เจ้าของฟาร์มเพราะว่าขาหักชาว บ, บ้านก็เลยบอกเออนี่โชคดีนี่นโชคร้ายกลายเป็นโชคดีโชคดีกลายเป็นโชคร้ายนี่มันธรรมดานะเนี่นเราอย่าไปตื่นเต้นตุ่มตามเวลาเจอโชคดีก็อย่าไปเพลิดเพลินไหลหลงเวลาเจอโชคร้ายหรือคราะก็อย่าไปตื่นตกใจตั้งสติให้ดีเพราะว่ามันอาจจะเป็นของดีก็ได้แล้วก็เราจะได้รู้เท่าทันมัน อล้วก็พูดกับทน่านนี้คำนี้กระบภาพพร้อมกัน